มาจากที่ไหนอ่าจากบอวิน<ม>สะพานสีมากยังพรครับอ๋อบอวินอามาตาซิตี้อามาตาซิตี้อ่ทาทำอะไาอยู่แถวนั้นเหรอเป็นคณะแพทย์ครับเปิดคลินิกานการการอ๋อ จ, จบเป็นยาแก้ไหนจบเป็นยาจีที่มหาลาัยครับรันแก่นอ๋อรัอแก งานนี้ยังจะมาจะปีสี่สองคัสี่สาเก้าสี่เจ็ดด้ตอนนี้ก็มีมีหมอสถ า, กายกรรมหัว ใ, ใจที่ผ่อนแก่หมอผ่อนแก่เหมือนกันมาบวชเดยียวกันรวม น, นี้พอดีวันนี้ผมก็มาติดต่อที่ พระครูข้างล่างก็กล า, างเดียนธันวาจะมาขอบวชเป็นพระเหมือนกั น, า น, านกนคนาค ง, งจะมีบวช่ว่ายใ้หลวงกันเป็นคงเข้ามาติดต่อกันหลายรายก็ก็ทางการบวชบบวชนานไหมบวชประมาณสิบห้าวัน มอคนนี้เขาก็เป็นหมออยู่ที่คลอมแก่เป็นหมอผ่าตัดหัวใจเนี่ยอายุ ก, ก็ประมาณส0่ 40. สิบแล้วสการได้เรียกันเนอะช่หมออะไรจำได้ไหมไม่ไม่ไม่รู้จักนะก็ลาออกลาออกแล้วก็อบอาบวบทนเนี่ยบทภาษาที่แล้ว แต่บวชยาวไม่มบวชไม่เสรจเหมือนพะน้องชายผมเลยครับเนี่ยเรียนจบโยธาปวสที่ที่แหลมชาบังเลเนี่ยฮะแล้วบอกว่าจะไปบวชให้าอามาแล้วก็ไม่ไม่ยังไม่เสร็จเลยครั บ, ส, บ ส, ส, สิบสัปเตะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่านาคำ น, น้อยนายูนุดดอ อยู่กับพระจาันทร์อินถวายจะสิบสามวันข่าวแล้วครับที่นี่นะรักึ่งในรัฐธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงใครมีธรรมต้อจะมีความสุขมากกว่ามีเงินมีทอง ม, มีข้าวมีของเป็นความสุขสบ า, ายใจ<อ>ในเหนือกว่ความสุข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 เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็รักษามันได้มันไม่มีวันพลาดพลาจากเราความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากการเสียสะละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมภาวนาทาใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาดก็จะสามารถรักษาใจให้อยู่ในความสงบให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรคนที่คนที่มีสีงมีสมาธิมีปัญญาก็ไม่จาเป็นจะต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับตน เอาสีลสมาธิปัญญานี้มาเป็นแฟนดีกว่าเป็นแฟนที่ซื่อสัตว์เป็นแฟนที่ไม่มีวันจากออาไปศึกษาศีลได้ดี น, นั่งสมาธิให้ได้ศึกษาทูาธรรมให้เกิดปัญญาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์เช่นลาบยศซาสะเสล รูปเสียงเก็บรอดต่างๆนันเป็นทุกข์ทังนั้นทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไปควกคุมให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันจะต้องมีวันที่จะต้องจากมาไปไมันเปลี่ยนไปอันนี้คือความสุข าจากธรรจากศีลสมาธิปัญญาจะทำให้จิตสงบแล้วก็มีความสุขมากความสงบเนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงนัตติสันติปังสุ ข, ขังไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ คนที่บวชกันก็เพื่อที่จะมาหาความสงบกันหาความสุขจากความสงบแต่ก็ต้องสละความสุขทางทางร่างกายไปทางตาหูมจมูกลิ้นกายความสุขทางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปความสุขจากคนนั่นคนนี้แล้วก็มาเอาความสุขจากศีลสมาธิปัญญา นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเรียว่าตัดสรู้โตัดสรู้โรู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงรู้วิธีที่ดับความทุกข์ที่แท้จริงด้วยการเจริญสีสมาธิปัญญาในช่วงนี้นะ ชันว่างค่ะว่างจบละคะจบะจบโทรค่ะจบโท ร, โทรลโทรทางไหนบริหารให้หลวง่อแลจะไปบริหารที่ไหนถ้าเป็นแอ <c oughs> ร์นี้จะต้องเถ้าเปลี่ยนอาชีพนะไม่ไม่เป็นพิธีกรแล้ว น, นะยังทำอยู่ยังอยู่ อย่ากเป็นอาของบริษันอะไรการบินไทยนะได้ไม่ยค่ะงอได้เลยตอนนี้เขาเขาจ้า ง, งคนเยอะน่ยนะสาการบินทางตะวัอนออกกลางดูบยัยก็อยู่ที่ไหนดูบัยค่ะดูบัยนดูบ้บบนหน้าอยู่นะเออเมืองในสวรรค์นในการทวีปสาย สร้างบ้านสร้างเมืงองโตมาหานละอำนาจของเงินจากน้ามันเนี่ยขายน้ำมันได้ทาทะเลสายให้ใกลายเป็นเป็นเมืองสวรรค์<ช>ขึ้นมาทะเลสาบทาบเจะเป็นเจ้าภาพวงเป็ดครั้งต่อไปเนี่ยทางไหนวะเนี่ย แล้วไปสมัครก็เลยอเดี๋ยวจะไปสมัครทีหน้าค่ะเพราะตอนอนี้อายุยังไม่ถึงค่ะเพรับยี่สิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดอายุเพิ่งยี20อ๋อยี่สิบรับตามมาลายที่ค่อนข้างจะท้าทายนะไปทางทูที่ไหนมา ทำโทรที่ไหนมาเอแบกฮาองเขา้าเอ้บกอ้อครับครับครับครบครัใชรับครับครังครลบครปบครับครับครับครับครับครับครับครับลรับครับครับอรัรับครับครับคงครัรับครรับครับครัรัครับครัคัรับครัรับคบครรคคครับ เขาจบเอพิวเรียนสาปีจบามปีมาจากที่ไหนกันมาจากพิษณุโลกมาทำอะไรแถวนี้เลอไม่ได้มาทำไรพอดีตั้งใจจะมาทำเรมออะไรอยากจะถามเลย การทำวันก่านตัง้งผ่านการเทศว่าการฝึกปฏิบัติเนี่ยควรจะพยายามทำจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้ค้่องแคล่วก็เลยสงสัยว่าอัปปนาสมาธิเราจะมีเครื่องชี้วัดอะไรหรือเปล่าว่าเราทำได้หรือไม่ได้อ๋อมีแค่เหมือนกับเหมือนกับ่ินข้า กินเอ็งมันก็รู้เ์เองไม่เอ็งนระู้ไ่าเวลกินข้ า, า, ไ ว, าวไม่โลยเอ็งไม่เนะอ็งนลย์ไม่เอ็งว่ากินมปจน้อเอ็ใช่ไนมะัปปนาสมาธิ่หมือนกันถ้าจิตมันยังคิดอยู่ก็ยังไม่ใช่สมาอัปปนาสมาธิมันต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อยไปกว่าจิตเจ่น้ เวลาจิตสงบ ม, ม, มันตกหลุมตกบ่อตกอยากที่สูง ม, มาแล้วก็สงบเน่งความคิดก็หยุดไปพูดโทก็หยุดไปความเบา อ, อกเบาใจสบายออกสบายใจมันเป็นความรู้สึกที่ปลประหลามหาสัจจรใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ใครได้สมาธิทำไมไม่ต้องถามใครอ่ะที่ถามว่าแสดงว่ายังไม่ได้กันมันเพิกหน้ามือไปหลังมือติดของเราที่มันบดเหยียบมุดวิมดวัดอะไรไปมันนิ่งเงียบมันอยู่ในที่เสียงดังแล้วเสียงมืเสียงดังมากเราอยู่ดีมันก็เงียบเสียงหาให้ยเลย คามรู้สึกแบบนั้นงั้นเวลาได้ผลก็มันไม่ต้องทางใายแต่ยังไม่ได้ผลที่ถามว่าธรรมดาเรยังไม่ได้ผลได้ผลแล้วมันรู้มันรู้ว่าเป็นความสุขที่ไม่เศษเป็นความสุขที่ที่ดีกว่าความสุขทุกรูปแบบ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 ไม่ว่าจะดีขนไหนพอได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าสิบเท่าของรถคันเก่าถ้าไม่อยากจะขับรถคันเก่าได้รถคันใหม่ดีกว่าคนที่ไดบวชกัน่อนนี้ก็ได้ความสงบกันในส่วนใหญ่เขาไปบวดกันเพราะเขาอยากจะใช้เวลาสร้างความสุขนี้ให้มันเป็นอย่างถาวรตอน ตอนตอนที่ได้ข้างแรกมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวชั่วคราว้าไปสงบแล้วพอออกมาก็กลับมาเหมือนเดิมแต่รู้ว่าความสุขนี่มันอยู่ข้างในถ้าอยากจะได้ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆต้องพุทโธเดึงเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็จะต้องต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั้นก็จะเดึงไปหาลาภยอดจันละแสนหารูปเสียงเกิบดลด แต่ใจที่ได้สัมผัสกับความสงบความสุขแล้วก็อยากจะกลับไปรับความสงบก็ต้องใช้พุโทโธเดินกลับเข้าไปถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องก็สงบได้ก็จะพยายามพุโทโธไปทั้งวันสลับกับการนั่งไปเรื่อยๆนั่งจิตก็สงบมีความสุขพอจากความสงบมาก็ใช้พุโทโธเดินกลับเข้าไปหม่ อย่างนี้ไปจนกระทั่งสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาและเวลาออกจากสมาธิมาขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลากิเลสมาหลอกให้ไปหาหาหน้าดึกสรเสริญหาลูกเสียงกิเรสก็บอกว่าอย่าไปเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราได้มาก็ต้องหลบไปต้องเสียไป ตายไปก็ต้องกลับมาหาใหม่ต้อกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหน่อยถ้าไปทําตามกิเลสไปทําตามความอยากกาไม่ทําตามกิเลสไม่ทําตามความอยากอายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำน้ำซ้าอีกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เวลาที่เราไปหา ลาบยศสนะเสือหารูปเสียงเก็บลับเนี่ยเป็นเหมือนกับการไปเกิดใหม่ไปสร้างภพใหม่ชากใหม่เพราะความอยากได้มนไม่ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปความอยากได้ลาบยศชนะเสรินอยากได้รูปเสียงเก็บลับก็ยังมีอยู่ในหัวใจมันก็จะดึงหัวใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะไล่เกิดใหม่ พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาดินน้นดอนก็อาจจะเดินจบไม่เหนื่อยนะพ่อแม่ต้องเลียเรียนโูกเสียเงินเงี้ยสักกี่ตังก็อาจะจบจบแล้วพอแล้วยั ง, ยงไม่พอจบแล้วก็ต้องทินงเข้ไปหาเงินอย่างเี้ยเลยหาเงินมาทําไมหาเงินมาเที่ยวอหาเงินมาเจซื้อลูกเสียงกีตาร์มาเสก พอแก่ก็ทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะเสเลือกเสียงกลิ่นรได้ลูกเสียงกิ่นก็จะเป็นเหมือนยาเสพติดเนี่พอแก่เสดไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายเป็นถ้าหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้จะต้องตายภายในหกเดือนก็ไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่อย่างเท่าประมาณหกเดือนอย่างนี้ครับก็อยามให้ออกกดหมายให้หมอ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 ก็ยฆ่าร่างฆ่าร่างกายตานทีมันจะต้องฆ่ากิเลสมากกว่าฆ่าความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายถ้าฆ่าได้ไม่มีความอยากจะเสกดูกเสียงกิ่งนัดมันก็อยู่ได้ร่างกายจะเจ็บยังไงก็ใจก็ไม่เดือดร้อนใจสงบถ้าใจฆ่ากิเลสได้ใจก็จะสงบสงบแล้วก็มีความสุขถึงแม้ร่างกายจะทุก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 มันก็จะกลับมาเกิดฆ่าตัวตายซ้ำแา้วซ้ํ า, าอีกวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องเลิกแย่ความอยากหกาความสุขทางตาหูจหมูกม้นกายแล้วมานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็มีความสุขก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเจ็บจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนก็ป่วยมันเจ็บไป แต่เราไม่ต้องใช้มันไม่ต้องอาศัยแล้วพอตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับา่าปากกัดตีนถีบทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นภาระให้กับพ่อกับแม่แล้วพอโตขึ้นจะมามีลูกมาเลี้ยงใหม่มารับภาระจากลูกคนลูกเอก เนี่ยมีแต่มาหาความทุกข์กันถ้าทําตามกิเลสแล้วนะนก็เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์กันถึงต้องใช้ปัญญาคอเตือนใจสนใจว่าอย่าไปหาราบยศรเสสน์อย่าไปห า, าลเาหาลืกเสียงเกิดแล้วมันเป็นทางสู่ความหายนตะความสู่ความทุกใจให้ไปหาศีลสมาธิปัญญา เ ม, มาบวชก็มาหาเสียงสมาธิปัญญามาบวชเขาก็จะให้สอนใจศสรษะเป็นพระต้องมีศสีย227ข้อแล้วก็ฝึกไหว้พระสวดนม์นั่งสมาธิแล้วก็ศึกษาพราะธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดปัญญาในการบวชก็มีแค่นี้มาบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติศสีลสมาธิปัญญากัน ถ้ามีสีมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะทำลายกิเลสตัณหาได้พอไม่มีกิเลสตัณหาใจก็สงบมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเจ็บไายได้ป่ยวยก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเป็นอมภพกรรมาผ่น า, านก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกาย นั่งเฉยๆก็มีความสุขได้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรถ้าใจมีศีลสมาธิปัญญาใจจะมีความสุขมีความสงบยังไม่มีความโลภกดไม่มีความอยา ก, กต่างๆนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั่งโสองคนพบ เนี่ยไม่มีพะเจ้าองค์เดียวนั้นที่สามารถค้นพบศีนสมาธิปัญญาได้คนอื่นก่อนหน้าที่พระเจ้าจะมาตัดสินก็ได้แค่สีนกับสมาธิแต่ไม่ได้ปัญญาถ้าได้ศีนสมาธิก็ได้ความสุขชั่วคราวเวลาเข้าไปในสมาธิก็สงบมีความสุขพอจากสมาธิมากิเลสแค่มามา มาลดกวนใจมายุบมายุยงมาช่วยให้ไปหารูปเสียงเก่งลดไปหาราบยศสเสีมีพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นวิธีฆ่ากิเลสด้วยปัญญาคือให้เห็นว่าเสียงที่กิเลยต้องการนั้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเพราะเสิ่งที่อยากได้นั่นเป็นหนึ่งไ ม, ไม่เที่ยงราบลดสนัสนระเสียงรูปเสียงเก่งลดนี้มันไม่เที่ยง ร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องเนือหาก็ไม่เที่ยงหเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็จะได้ไม่อยากมันก็จะหยุดความโลภ ค, ความอยากได้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากความที่อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาหนู่นหานี่มาเพราะความอยากมันทำให้เราไปหาเองพอเราทำใจให้สงบหยุดความอยากได้มันก็ไม่ไป ถ้ามันไปก็ทำให้มันสงบอย่าไปทำตามมันมันโลภมันอยากได้แล้วก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปพอไม่ทำตามความอยากใจก็สงบมีความสุขเราไปความอยากก็หมดกำลังถ้าเราไม่ทาตามความอยากเาความอยากมันก็หมดกำลังไปทำอะไรอยู่ที่ม้องชมน่น ทำทำงานเป็นพนักงานโดยครับในลูชนเนียบรอะไรเกียอะไรทช้นสรเน่นสวนรถโรงงานเอยู่ที่ไหนรตัวแครับเราไม่ใช่ชนอะไรแ้นี่ยยาของฟอรนะ ของเอกสารก็ปล่อดเลยให้เองปลอยปล่อยให้ดาถูกนะแต่หย่ยินอยู่ทานเดียวกันก็กล้ๆกันเนี่ยนันเป็นเป็นโซนภาสาหก่าเลยนมีโรงงานเยอะเป็นอางต่งของญี่ปุ่นหรือของไต้หวันหรของญี่ปุ่นีหลายชาติ ีปุนองค์กลางไทจะมากกว่าไัยญี่ปุ่นอกลองนี้ญี่ปุ่นเยยกว่าญี่ปุ่นเยอยกว่านยุนงยากญี่ปุ่นเขาจะเข้าไปอยู่แถวเสืาชานะอชแต่เสือชายนีร้านหารญี่ปนนะุ่นพรมียาติที่ทาร้านาหาญี่ปุ่นมาทาบุญราลาให้ฟั เราก็ชอบสอดสอนรู้สอเนเท่อยู่ที่นี่แต่รู้รู้มากกว่าคนที่ไม่อยู่ก็คอยสอดคอยถามอยู่ยแตคนที่มานี่เรารู้หมดไม่ทาอะไรอย่างเงี้นคนนี้ยังไม่รู้ยังไม่เคยถามเป็นม่บ้านเลยว่ากระเสียงอ่ะ ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรนะกินเงินเก่านะไม่แล้วค่ะกินอันนี้หาทาอย่างเดียวหาศีลสมาธิปัญญาแล้วจินการที่พจะเจ้าตับอะววมาลดทข็งคานชนะลดแขงปูดแล้วแต่ออกไปใจนี อมีสติคุมได้นะแล้วในปัญญาสติก็ได้ปัญญาก็ดีถ้าปัญญาได้ยิ่งดีเลยปัญญามันจะทำลายกิเลสได้อย่างถาวรสติก็เพียงแต่กอดมันไว้มันจะรู้สึกตัวเรื่อยแล้วก็หยุดได้เองที่เราไปฟุ้งของมันเองแล้วไยาบลงมันเอง อัน น, นี้อยู่ที่ไห น, นัีไม่ได้ถามเลยอยู่เครือสาพัฒค่ะสาพัฒไหค ะ, ะเป็นน้องสาเขาาพามาก็เลยได้เครือสาพัก็บอกใกล้ๆกันนี่แหละไม่ไมสาพัอยู่ใกล้แหลมเจบังค่ะของคนละที่กันะสาพ ใกล้แหลมเสบังท่าไหอทนี่ก็อยู่ใกล้เมืองโรงงานเทิน้นะหน้าโรงงานเลยค่ะใกล้ๆโรงงานหลาานนี่ก็โรงงานใหญ่เนี่ะเขาเป็นโรงงานไม่เล็กแต่เยอะค่ะเจสิบกว่าโรงงานแต่บ้างนเล็กยอะอยู่ข้างหน้าเลยนี่ก็ตรงนี้ เสบวงงานอยู่ที่เดียววันนี้ก็จะมิโคมแต่ฟังที่เป็นของเอกชนหรือนังไ่ขอปีหนึ่งก็จะมีขายของโรตินซีไม่ใช่รเมอัทิตย์ี่แล้วเนี่ยค่ะทตัี่้วเนี่ยจะขายค่ะแล้วขายกี่วันสามวันค่ะหมดแล้วเหรอคะเจะเป็นปลายเดือนตุลาต้นต้นพฤศิกาปีศจิค่ะทางงกระสาวันทนีค่ะฟังออกหมบเลยแล้วคนมาซื้อกันเยอะ คนเทคที่ไหนก็มาุูเก็ตก็เห็นประกาศเี่าของถูกลงอะของโรงงานนะคะจ้างจะถูกเตัดอกเยอะค่ะแค่ว่าล้ก็มีสตอกเก็บไว้ขายไม่หรอกทีมันจะที่ของจะมีได้ไม่น้อยนิดเดียวแล้วเขาก็จะส่งไม่ได้ค่ะเขาส่งมันลแล้วของแบบว่าทำเผื่อไว้แล้ว มันมันเหมือนว่าคิซีไม่ผ่านนะเพราะพไม่รู้เลยแต่มีพี่พ่อเนี่ยนะคะของแบนด์เนมะคะจะจะมีตำหนนีดหน่อยถูกไปเนในห้งเพวกเสื้อผ้าพวกนี้มีของใช้อะเสื้อผ้ารเท้าอะไร่ะเมื่อก่อนล้วก็ไปซื้อของตำหนิมาใช้มันถูกอะซื้อแกงตัวนึ่งถูกอะซื้อตัวที่ขายในร้าน อันนี้ก็รู้หมดแล้วเนี่ยไทยนี่ก็เซเว่นอีลเวนเจ้าของร้านเซเว่นมีหนูนี่ก็เพิ่งจบมหาลัยเพิ่งรับปริญญางจะเปิดร้านอาหารสัตว์เลย มีทำถามทางบ้านมนะนนี้ไม่มจฟะฟนะิดอะไรละคนให้มากเลยแล้วเอาคำถามเรื่องกีเข้ามาเท่าไหร่ล้วันนะี้สองร้อยยี่สิบแปดค่ะช่องแรกเสียงไม่เขา้ถาถามได้ไหมคำถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาพาทพิสุกค้าถา่ายพระเครื่องเพื่อ น, นำมาสร้างสะพาน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 เ, เ, เงินที่ได้จากขายขนมนี้มาสร้างอะไรต่างๆมันผิดวัตถุประสงค์ของการบวชการบวชเพื่อมาเพื่อมาเรียนเพื่อมาปฏิบัติทมของพระพุทธเจ้าพอได้เรียนจบแล้วจะได้เป็นอาจารย์สอนคนอื่ต่อไปนั้นการทำอะไรต่างๆนี่มันผิดประเภทนมันไม่มันใช้ ทำให้ทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยพระที่มาบวชี่ลังก็จะเอาแบบอย่างไม่คิดที่จะศึกษาไม่คิดที่จะปฏิบัติทํากันก็คิดจะมาสร้างโบสถ์สร้างเทือดีสร้างแจกซองผ้าป่าสแจกซองกับถิน่นเรื่อยไลชาวบ้านใมวัดที่วัดเดียวนี้ตู้บริจาคเป็ไมไปหมดนะ อ, อะไรก็ไม่รู้ากายเึงนคอ กลาเป็นขอทานไปความยิงพระนี้เป็นผู้ขอแต่ไม่ได้เป็นผู้แต่ไม่ได้เป็นขอทานคือขอในเวลาที่ขอในสิ่งที่จําเป็นและขอเฉพาะเก็บเช่นบินทบาทเท่านั้นนะที่ที่อนุ ญ, ญาตให้ขอให้เดินไปบินทบาทแล้วก็ไม่ให้ขอโดยการไปเรียกร้องคนนั้นคนนี้ให้มาใส่บาตร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 คนที่เขาเสนอ ต, ตัวปวาวาตัวไว้ว่าถ้าท่านขาดแคลนในบอกผมได้นะอย่างนี้แต่ก็ต้องก็ต้องบอกในของในสิ่งที่สมณบริโพคคือปัจจัยสี่ของพระเช่นจีวอนท่านจีวอนขาดไม่ใส่ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่มีจีวอนใส่ก็บอกเขาไป เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรคก็บอกเขาไปกุเตสมุดซุกโซมต้องซ่อมแซ ง, งหรือต้องสร้างใหม่ก็บอกได้แต่ต้องบอกกับพี่าญาติพี่น้องหรือคนที่เขาเสนอตัวไม่ใช่มาบอกอย่างญาโ ย, า ง, ย, า ง, ยางนี้มาถึงมาบอกเดี๋ยวช่วยสร้างกุเตให้หนังเถอะนี่ไม่ได้ไม่ต้องการให้พระมาหา าข้าวของเงินทองถ้าอยากจะหาข้าวของเงินทองก็อย่ามาบวชอย่างนี้อะไรก็เอาเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือหาเกินเหมือนผาป่าช่วยอนุ่นช่วยนี่อะไรเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่ควรนอกจากมันเป็นกรณีพิเศษจริงๆอย่างหลวงตาท่านทำผ้าป่าช่วยชาติ แต่ท่านก็ไม่ได้ทำแบบไปขอท่านเองแต่บอกบุญให้ทราบเท่านั้นเองใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คำถามจากคุณวไลายพรตอนนี้นั่งแล้วจิตไม่รวมลงต้องทำอย่างไรจึงทำได้เหมือนเดิมเจ้าคะก็ต้องมีสติต้องพุโทโธพุโทโธให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นก่อนที่จะมานั่งนี้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 งั้นการเวลานั่งสมาธิแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปสนใจปล่อยมันกัดไปให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปว่ามันอาจจะเป็นกิเลสหลอกเราก็ได้บางทีไม่มีอะไรมากัดแต่นันกิเลสมันสร้างความรู้สึกนั่งขึ้นมาหลอกเราเพื่อให้เราเสียสมาธิถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องไม่สนใจกับอะไรทักณะที่เรานั่งสมาธิ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 แสดว่าสติเรามีกําลังไม่มากถ้ามีสติมีกําลังมากก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวสักาพาักมันก็หายไปเดี๋ยวก็ผ่านไปเองคำถามจากคุณอรวันถ้าเราทําบุญแทนพ่อแม่พี่น้องท่านจะได้บุญหรือเปล่าครับบุญนี่ต้องของใครของมันนอกจากบุญที่เราอุทิศเนี่เราอุทิศได้แต่เป็นเป็นบุญส่วนน้อยมาก บุญที่เราทํานี่เราอุทิศไปได้เพียงร้อยลนะร้อยเงินหนึ่งเนะี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเพราะคนที่ตายไปที่ไม่มีบุญนี้แม้แต่บุญที่เราอุทิศไปร้อยละหนึ่งนี่ก็เหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานมันก็ดีกว่าไม่มีเลยขอทานนี่เขาก็ดีใจแล้วเราให้เขห้าบาทสิบบาทนี่ยแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เราควรจะทำของเราเองทําให้คนอื่นไม่ได้ พ่อแม่อยากจะทำก็ช่วยเขาทสิอยากให้พ่อแม่ทาก็เอาบายให้พ่อแม่เขาได้ทาเช่นบอกว่าจะมาวัด จ, จะมาทำบุญถ้าเกิดเขามีศรัทธาเขาอาจจะฝากเงินมาทำบุญด้วยอย่างนี้เขาก็จะได้บุญมันต้องเป็นเงินของเขาแล้วต้องเป็นความยินดีของเขาถ้าไป็นบังคับให้เขาทขาก็ไม่ได้บุญได้ก็ได้น้อย เช่นแบบว่าเอาเงินมาให้จะไปทำบุญให้ไปไปบางครับเขาอย่างนี้มัไม่ได้ถ้าเขาทาด้วยความยินดีแล้วก็จะได้บุญมากกว่าทำด้วยความไม่ยินดีบุญคือความสุขใจความสุขใจจะเกิดจากการที่เราทำด้วยความยินดีที่จะทำถ้าเราไม่ยินดีบางทีเราไม่ได้บุญเราเรสกเสียดายเงินที่เราทำไป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 แล้วก็การไปสู่นิพพานแล้วยังอยู่แบบครองเรือนเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับาการครับ<ม>การออกการออกบวชนั้นเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการเข้าสู่นิพพานใช่ไหมครับออพระพุทธเจ้าเช่นถึงต้องออกจากวังไหมถ้าไปนิพพานอยู่ในวังได้แล้วไปออกนอกวังไปทําไมอยู่ในวังสบายกว่า มนในวังแนละ้วมันเหมือนเรือที่ทอดสมอเนี่ยเรือทอดสมอนี่วิ่งไปไหนได้บ่ถ้าจะวิ่งต้องถอนสมองก่อนเนี่ถ้าอยู่ถ้ายัางติดอยู่กับความสุขทางร่างกายมันก็ไปนิ่ผ่านไม่ได้ถ้าอยู่กับที่สุขที่สบายทางร่างกายมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะกิเลสมันจะมาคอยลบเล้วให้เราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอื่างนี้มันก็ไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ถึงต้องไปอยู่ที่ไม่มีอะไรอยู่ในป่าในเขาไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรถ้ากินก็กินเพื่ออยู่จริงๆกินแค่วันละมื้อเองกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ถ้าดื่มก็ดื่มแต่น้ำเปล่าไปอันนี้เหมือนของจำเป็นของร่างกายนะถ้าถ้าอยู่แบบนี้มันจะไม่มีอะไรมาคอยดื่มใจให้กับออกไปฮาความสุขทางร่างกาย กนะ็จะทำให้ดึงใจเข้าสู่ความสงบได้ง่ายดังนั้ น, น, นคนที่บรรลุไปถึงนิพพานกันส่วนใหญ่ 99.9% นี้เขาไปบวชกันทั้งพระสาวกของพราพุทเจ้าส่วนใหญ่นี้เป็นพระเป็นนักบวชแต่ก็มีบ้างที่เป็นผู้ครองเืิงแต่พอเขาบรรลุแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไปบวช mm hmm. เขาก็ไม่รู้จะอยู่กับคนในโลกนี้ทาไมเพราะมันมีมันมีความ รส น, นิยมไม่เหมือนกันอยู่กับคนในโลกเขาเดี๋ยวก็ชวนไปกินไปเล่นไปเที่ยวกันแต่เราชอบทางสมองก็ไม่ไปไปกับเขาไม่ได้ไม่ไปกับเขาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เขาก็เขาก็รังคาญเราเห็นไหมแล้วก็ไปอยู่ของเราคนเดียวไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่วัดอยู่ไปไปดันั้นคนที่บรรุุนิพ่านแล้วก็ ถ้บวชได้ก็บวชนอกจากเขามีภาระอะไรที่ทําให้เขายังบวชไม่ได้นนเขาอาจจะไม่บวชคนที่ไม่มีภาระแล้วแต่ถึงมีภาระก็บวชกันนั่นแหลถามจากคุณต้อยขอเรียนถามวิธีเดินจงกรมค่ะว่าสติต้องอยู่กับกายส่วนไหนคะถ้าใจเริ่มคิดเรื่องอื่นต้องหยุดเดินเพื่อดึงใจให้กลับมาไหมคะ ก็หาวิธีไหนก็ได้ที่หยุดใจเดินไปจะใช้พุทโธไปก็ได้เนี่ยเดินไปจะดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปขอให้มีอะไรคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเท่า น, นั้นเะีจะเดินไปแล้วสวนมุนไปก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันพระที่บวชใหม่รองลูปท่านยังท่องปฏิโมกข์ไม่ได้ท่านก็ใช้การท่องปฏิมโมกข์ในการเดินจากรมไป ่อไปเวลาท่องมันก็ไปคิดเรื่องนัง้นเรื่องนี้ไม่ได้ปฏิโมกก็เกิดศีล227ข้อของพระเรียกว่าปตฏิโมกก็ท่องไปเพราะทุกทุกเกือกเดือนพระจะต้องลงประชุมแล้วก็ฟังพระปฏิโมกจะมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้สวดให้ฟังเป็นการทบทวนศีล227ข้อเพื่อจะได้ ไม่หนงไม่เลยว่าเราต้องพระจะต้องรักษาสี่งอะไรบ้างแต่ท่านจะท่องเป็นภาษาบาลีใจเวลาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีสองร้อยี่บเจ็ดถ้าพระองค์ไหนท่องได้ก็จิตจะมีสติดีจะมีสมาธิเราจะต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดให้คิดอยู่ในการท่องพระปฏิโมก ก็จะมีอนิสงส์จะทำให้จิตมีสติมีสมาธิแล้วก็จะเป็นพระที่มีความสำคัญเพราะว่าเวลาพระอยู่ร่วมกันนีอย่างน้อยต้องมีพระรูปหนึ่งที่จะต้องท่องปฏิโมกข์ให้ได้ mm hmm. ถ้าไม่ได้พระทั้งวันไม่ต้องไปไปนั่งฟังปฏิโมกข์ที่วัดอื่น mm hmm. ก็เป็ได้ว่าไปขายหน้าตัวเอง หรือว่าไม่มีใครเท่าปฏิโมกได้เลยต้องไปร่วมต้อนรอ ง, งปฏิโมกกับพระวัดอื่นนะพระที่เป็นท่าปฏิโมกนี้ถ้าไปอยู่วัดไหนเขาจะเขาอยากจะให้อยู่เพราะมีคุณค่าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีเาาามันที่เราสวดอรหังสัมมาสวัสดิ์คัสนี้เป็นภาษาบาลีมีไหม คำถามต่อปาจากคุณวรุษนะครับกระผมอยากทราบเรื่องพระวินัยที่ว่าผมจีวรซ้อนสังคาติตอนบินธบาทต้องทำอย่างนี้ทุกทุกวันเพื่ออะไรครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนรือในสมัยพุทธกาลสมัยที่มีกฎนี้ขึ้นมาเพราะเพราะว่าพระอยู่ในป่าคันเป็นส่วนใหญ่ไม่มีกุฏิ ไปทุดงกันอยู่ในป่าแล้วก็ผ้าก็มีของมีค่าหายากถ้าไปเินกระบะเราลลเก็บเทิ้งผ้าไว้ในที่พักที่ไม่มีที่บกเปลดมิดชิดขวนไม้ลิงก็า จ, จะมาค้าไปหรือไม่เช่นั้นคนขโมยที่อยากจะได้ผ้าก็า จ, จะมาขามาข้าไปก็เลยให้เอาไปทั้งทั้งชุดนล้กติ ถ้ามันมีที่เก็บนี้ไปแค่สองผืนก็พอผ้านุ่งกับผ้าห่มผ้าสังนะสีที่เป็นผ้าห่มกันหนาวแต่ถ้าไม่มีที่เก็บมิดชิดก็เลยต้องซ้อนไปด้วยเดียว่าซ้อนผ้ามินต์มาเอาไปให้ครบสำหรับผ้าไตผ้าไตมีสามผืนมีผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้ากันหนาวต้องเอาผ้ากันหนาวไปด้วย นีอยู่เมงร้อนเวลาไปบินตบาดกลับมานี่เหงื่อแตกพัดเลยแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แถวแถวแถว่าทั่วไปเขาจะไม่ซ้อนกันหรือถ้าเขาซ้อนเขาก็เอาผ้าจีบอยบางๆว่าซ้อนเขาจะไม่เอาผ้าสังกะสีมาเพราะมันหนานนไปๆแล้วเดี๋ยนี้มันอยู่กันแบบมีที่มุงที่บางนิดนิดก็ไม่หายผ้าไม่หายไม่ซ้อนไปก็ ผ้าก็จะไม่หายเศษผลที่ซ้อนไปก็เพื่อที่จะให้รักษาสมบัติที่หายากนี้สมัยก่อนผ้านี่หายากมากถ้าต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าหอ่อศพอะไรแล้วต่อมามีคนมาบวชกันเยอะผ้าก็หายากพระพเจ้าเลยต้องบอกให้ญาติโยมถวายผ้ากันที่เรียกผ้ากระถินนี่ บอกว่ามีบุญมากอันนี้สูงมากความที่สมานความมีประโยชน์สําหรับพระมากเพราะพระถาดแค่งพระก็เลยถือว่าการถวายผ้ากรถินนี่ได้บุญมากกันจริงจริงมันก็ได้บุญเท่ากับถวายผ้าธรรมดาทั่วไปเนื่องจาว่าในสมัยนั้นผ้ามันหายากมันก็เลยเป็นของที่คุณค่ามากกว่าสมัยนี้สมัยนี้มันเกินได้ไหมดแล้ ปีนี้นี่รับผ้าตายไม่รู้กี่กี่สิบสําหรับก็ไม่รู้กี่กี่ตายไม่รู้งั้น้าป่าผ้าป่าท่านยังถือธรรมเนียนนี้อยู่เพราะว่าบางทีท่านก็ยังไปทุดงลงอยู่ในป่ากันครูบาอาจารย์ท่านไปทุดงลงในป่าท่านก็จะซ้อนผ้าพอท่านมาสร้างวัดท่านก็ซ้อนผ้าทําตามเพื่อเป็นการถ่ายทอดธรรมเนียนที่ดีไว้ แต่ถ้าบ้านห่านี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ซ้อนท่ากันภาที่วัญญนญยานี้ก็ไม่ได้ซ้อนท้ากันาแ ค, คส่สองสองถ้าสังคติก็เก็บไว้ในที่เป็นเกิบคาถามจากคุณสุจำเป็นหรือไม่ว่าต้องนั่งเดินถึงสองชั่วโมงแล้วใจจะสงบนิ่งหนูเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงบางทีใจไม่สงบ บางทีทำสิบถึงสิบห้านาทีใจก็นิ่งแล้วค่ะคือนั่งนี่ไม่ได้นั่งนอนเวลานั่งนอนความสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบถ้ามันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานได้อยู่ในในที่สุดมันก็จะนั่งนานได้ถ้านั่งเราไม่สงบก็จะนั่งไม่ได้นานนั่งไม่ได้นานก็ร้อพยายามนั่งใหม่นั่งให้มันสงบ ถ้านั่งสงบแล้วมันจะนั่งได้ทานเป็นชั่วโมงขึ้นไปได้แต่ก็ต้องพยายามนั่งไปเรื่อยๆวิธีในการนั่งให้มันสงบก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สมบงบเรนก่อนจะมานั่งต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องมีพุทโธกำกับใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมานั่งมันก็จะสงบได้คำถามจากคุณหนู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 คำถามจากคุณพิไลพรถ้าจิตเราชอบคิดดีและคิดไม่ดีให้ฝึกโดยรีบแตกความคิดนั้นออกโดยทันทีแล้วเอาพุทโทรเข้ามาแทนทำเช่นนี้ถูกไหมคะช่วงนี้รู้สึกชอบทำคนเดียวเงียบๆังเทศฟังธรรมและไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยฟังอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งเบื่อเพราะจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งดีทำเช่นนี้ถูกผิดยังไงเจ้าคะ ถูกเวลาที่คิดไม่ดีก็หยุดมันเวลาคิดดีก็คิดไปคิดแล้วก็ทําตามที่คิดฉันคิดจะทําบุญก็ทําเลยคิดจะบวชก็บวชเลยอย่าถ้าคิดยอย่าคิดดีแล้วไม่ทําตามความคิดมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วต้องทําตามความคิดถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าคิดไม่ดีก็อย่าให้มันคิดเพราะถ้าไปไปทตามความคิดไม่ดีมันก็เกิดโทษขึ้น แน่คิดอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้มันก็ไม่ดีแล้คิดอยากจะไปมีแฟนอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วดังนะนะนั้นต้องอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีคิดในทางที่ดีถ้าหยุด<ม>หยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธหยุด<ม>ท้องทุบโธ่พุโธ่ไปเดี๋ยวความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไปคํถาถามจากคุณบอยอยากทราบวิธีการจาัด การความโกรธอย่างง่ายๆสําสหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่เริ่มศึกษาทำครับไมอยากโกรธเลยเมื่อโก o i ก็ว่อย่ากโกรธเลยก็หยุดมันง่ายที่สุดก็คือเวลาโก o i รู้ว่าโกรธแล้วก็หยุดมันแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธไปง่ายง่ยที่สุดเวลาโก o i แล้วก็พุทโธไปแล้วก็ควรจะแยกออกจาก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 พุทธตรงที่ตรงที่ทำให้เราโกรธเลยก็ได้ถ้าเรามีกำลังใช้พุโทโธก็พุโทโธไปเลยแต่ถ้ามันถ้ามันไม่มันไม่หยุดก็ต้องเปิดตัวออกไปถอนตัวออกจากเหตุการณ์แล้วไปหาที่ไม่มีอะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดถึงเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวพอไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์นั้นมันก็จิตก็จะหายโกรธ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 ความรู้สึกที่ยึดติดกับบุคคลสิ่งของเงินทองไปได้หนูควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรอีกคะก็ต้องรองดูเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆขึข้นมาจะทำใจได้หรือเปล่าถ้าทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกำลังสมาธิพอรเราก็ควรที่จะหัดทำใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าใจสงบแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นได้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 ถ้าเราให้อภัยเขาได้ไม่โกรธเขาไม่ทุกข์กับเขาก็ทําได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการเพราใจเรายังไม่เข้มแข็งพอก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับเราแต่บางครัง้งบางคราวถ้าเขามาเองเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจบางครัง้งบางคราวอาจจะต้องไปเจอกันอีกไปทํางานร่วมกันอีกเนี่ยที่ไม่ได้เป็นความคิดของเราเองแต่เป็นเหตุการณ์ที่บังคับให้เกิดขึ้น เราก็ต้องให้อภัยเขาทางใจให้อย่าไปถือโทษกดเคืองเขาคำถามจากคุณธีรศักดิ์วิตกเรื่องงานลูกลูกค้าจ่ายเงินยากมีวิธีแก้วความวิตกหรือวางใจอย่างไรครับจ่ายเงินสดสิก็อย่าไปโลภถ้าเขาไม่จ่ายเงิ น, นก็อย่าให้ของไปไม่เห็นล้วกเามีภาพที่เขาติดไว้ ล่างๆก็ยู่มีภาพของคนขายเงินสดกับคนขายเงินเงินแห้งคนขายเงินสดนี่อิมมีพีมันคนขายเงินแห้งนี่พร้อมโซเพราะว่าเชื่อใจคนแล้วก็เขาไม่จ่ายตามที่เขาพูดงั้นอยบไปโล่ดีกว่าขายเอาเงินสดดีกว่าขายได้น้กได้น้อยก็อย่างน้อยมันก็ได้ดีกว่าขายได้มากๆแตไไ่ได้แต่ขายแต่ไม่ได้เงิน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 พอเราไปเห็นภาพสวยๆแล้วเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ดึงภาพที่ไม่สวยนี้ขึ้นมาในใจเราได้ให้เรานึกถึงภาพที่ไม่น่านดูต่างๆของร่างกายมันก็จะทําให้เราเระงับอารมณ์ต่างๆได้คําถามจากคุณตันหาเป็นพระแล้วถ้ามีใบสุทธิจะไปทุูดงประจําอยู่วัดอื่นได้ไหมครับ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 แล้วเราสามารถปล่อยวางขันห้าได้เลยไหมคะหรือจะต้องเจริญปัญญาอีกคะก็ต้องไปทดสอบดูว่าปล่อยได้จริงหรือเปล่าการรู้กับการปล่อยไม่เหมือนกันรู้ว่ามันมเป็นของเราแต่เวลาไปให้มันปล่อยมันไม่ยอมปล่อยก็ได้เช่นถ้าเวลาอยากจะรู้ว่าปล่อยได้ไม่ได้ลองไปหาที่อยู่ที่มันน่ากลัวดูที่ไหนที่เรากลัวลองไปอยู่ที่นั่น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 ทางสายธรรมยุทธ์เขาถือว่าเป็นอาหารส่วนทางมหานิกายก็ถือว่าเป็นเด่นเนะเป็ น, ป น, ปนไม่ใช่อาหารเท่ากันเขาก็จะดื่มได้พระสายมหานิกายก็จะดื่มดมดื่มอวุนติมเดิมอะไรต่างๆได้ในตอนบ่ายแต่ถ้าสายธรรมยุทธถือว่าเป็นอาหารดื่มไม่ได้ต้องดื่มก็ถ้าจะดื่ ม, มต้องดื่มก่อนเที่ยงวันไป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 ถาจะมากินนีงก็เป็นสองมือนะถ้าอยากจะกินมือเดียวก็ตํารอกินพร้อมๆกันแล้วแยะเตงขึ้นมาก็ซัดโอนติ่ก่อนไมโลก่อนแล้วก็ไปบินสบายแล้วกลับมาก็มากินมือหนึ่งนี้แล้วบางทีชะล้างบาศเสร็จก็เอาขนมมาต่ออย่างนี้แต่นี้ไม่ถือว่ากินมือเดียวนะกินมือเดียวก็ากินหนุมเดียวกินในที่อาสนะเดียวนะนั่งนั่งอยู่ในที่เดียวกินที่เดียว อย่างนี้ยังถือว่ากินหลายขลอยู่ต้องกินหลเดียวกินพร้อมๆกันไปเลยอะไรที่เป็นอาหารนี่ต้องกินพร้อมกันผลเดียวค้างเดียวนะครับกรณีกินอาหารกรณีที่เรารับแค่สิบแเนี่ยพอเรากินบนโต๊ะอาารเสร็จแล้วอเรามาอยู่ที่ห้องพักแล้วกินขนมจ่อที่ถึงไหมคถ้ายังไม่เลยเที่ยงวันก็ไม่ล้ว แต่ถ้าเป็นพระถ้าถือทุตลงถ้าถือข้อว่าวารดกินมือเดียวหนเดียวเนี่ยเรียกเอากาอะไรเนี้ยก็ต้องเอาที่เดียวหุนเดียวจริงจริงไม่ใช่มีก่อนแล้วมีหลังตามมาอีกเนี่ยวัดได้ยังมีคำถามจาก Messenger นะครับจากคุญปาณีนะฮะเพราะต้องทำการงานชอบและรู้หน้าที่แต่แ ต, แต่ปัจจุบันงานเข้าไม่รู้เวล่เวลาค่ะ ไม่ตอบสนองก็หาว่าบุคล้องไม่ใส่ใจเราก็อยากจัดสรรเวลาเพื่อสร้างเสริมบารมีทำกรรมดีทางธรรมแก่ตัวเองพักจิตพักใจหาความสงบเช่นนี้แล้วควรปฏิบัติเช่นไรคะก็เปลี่ยนงานเลยแล้วออกจากงานไปเลยคำถามจากคุณพารา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 แต่ด้วยกิเลสสิ่งเร้ามากมายเข้ามาทำให้การฝึกจิตที่ว่านี้เป็นไปได้ยากครัรู้สึกใช้ชีวิตขาดทุนครับทุ่มเทเวลากำลังกายหมดไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามายัางสถานที่สงบทำให้การฝึกสติได้ดีขึ้นมีความสุขภายในมากขึ้นครับฉะนั้นถ้าจิตเราเป็นเช่นนี้เราก็น่าจะเลือกที่สบายใจ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 ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับมันต้องห่วงต้องกัวงวลกับมันแล้วเวลาจากกันก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่เป็นความสุขเย็นได้แล้วสบายใจแล้วก็จะเป็นของเราไปเอาไปได้จะเป็นทรัพย์พาให้เราไปสวรรค์ไปพระนิพพานกันต่อไปพระอาจารย์นะตร ง, ตร ง, ต, รงตรงที่เขาถามว่าจะหลนะฮะ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 มันไม่ต้องมิอันนี้ไม่ต้องมีศรัท ธ, ธาแล้วอันนี้มันสัมผัสแนละ้เห็นแล้วเขาให้รถเร์ารี่กับให้รถโตโตยต้ามีคุณยาวขนาดไหนนะแต่ถ้ายังไม่เห็นเขาเพียงแต่พูดว่าจะให้เฟรารี่กับโตโยต้านี้ก็ยังต้องฟังก่อนให้คันไหนดีกว่าแต่ถ้าเห็นแล้วได้ขับแล้วทั้งสองคันนี้มันจะไปเลือกคันไหน ถ้ายังไม่เห็นก็ต้องมีศรัทธาเชื่อก่อนถ้าเขาบอกโตโยต้าดีกว่าเฟอร์รารี่เ้าก็นเอาโตโยต้าแต่ถ้าก็บอกเฟอร์รารี่ดีกว่าโตโยต้าแล้วก็เฟอร์รารี่ถ้าเรายังไม่เห็นใช่ยครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรารู้ว่าคไหนดีกว่าเราจะต้องไปมีศรัทธาที่ตรงไหนนะศรัทธามันอยู่ตรงที่เรายังไม่ได้สัมผัสกับของจริงก็ต้องเชื่อคนที่เขาบอกเราครับอย่างบุคคเจ้าบอกแล้วว่าทางธรรมนดีกว่าทางโลก แล้วถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสกับทางธรรมเราไม่รู้ว่าดีฝ่ายยังไงเราก็เชื่อไปก่อนเชื่อพระเจ้าไม่หลอกเราอันนี้นก็ต้องใช้ศ ร, รัทธาแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสกับธรรมแล้วเรารู้แล้วว่ามันดีกว่าทางโลกเราก็ไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วคเชื่อตัวเองแล้วตรงนี้อใช่ไหมครับงงคําถามจากคุณเบิร์ดเราจะ จัด ก, การอย่างไรกับลูกที่ชอบโกหกปิดบังปักแข็งเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่คะถ้าลงโทษได้ก็หามาตรการลงโทษไปเช่นตัดเงินค่าขานมไปอะไรนะต่างๆไปให้เขาเห็นโทษของการพูดป่น ว, ว่ามันเป็นการกระทําที่เสียหายทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นแต่ถ้าลงโทษแล้วเ้ายังจะทําอยู่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขา เป็นสันดานของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เราสอนเราสอนเขาแล้วเรามีมาตรการป้องกันแล้วแต่ก็ยังยังไม่เข็ดเราเขายังอยากจะไปโกหกอยากจะไปอะไรก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปเราอย่าไปทุกข์กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปเป็นคนที่ไปทำอะไรเสียหายและเราไม่ได้เป็นคนที่จะไปรับผลของการของความเสียหาย เขาเป็นคนทาําเขาจะต้องเป็นคนนับผลแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องตรงเราก็ต้องวางว่าพฤติกรรมของเขาไปคําถามจากคุณจําปาถ้าหญิงบวชแม่ชีแล้วบรรลุธรรมสามารถดํารงพาดขันอยู่ได้ไหมคะมีคนบอกอยู่ไม่ได้เพศหญิงรับไม่ได้ขณะบรรลุได้วต้องนับ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 บางคนก็บอกว่าถ้าบรรลุธรรมแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันไม่งั้นตายอันนี้ก็ไม่มีอ้างไม่มีคําพูดคําสอนในพระไตรปิฎกนะคระมีแต่เหตุการณ์ที่มันอาจจะทําให้คิดอย่างนั้นเช่นพ่อพระเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้า ก, ก็ไปบวชเจ็ดวันก่อนตายก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตายก็เลยว่าอ่อนเนี่ยเมื่อที่ตายก็เพราะว่าไม่ได้บวชไม่ใช่มันคนมันจะตายอยู่แล้ว มีแต่ไปบรรลุตอนนั้นพอดีเจ็ดวันก่อนตายก็เลยไปว่าเนี่ยบรรลุทำเจดวันเลยเนี่ยไม่ได้บวชก็เลยตายมันไม่ใช่มันก็สอเรื่องกันไม่เกี่ยวกั น, นอ่าได้ยินมาว่าในตำราเขียนว่าเอ่อถ้าคนที่ได้บรรลุระดับพระโสดาบันแล้วท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่ อ, อ, อางางของขัง อะไรพวกนีเกี่ยวกันไหมครับอาารเกี่ยวท่านจะรู้ว่าเครื่องมาอของขังนี่เป็นของปลอมไม่มีประโยชน์อะไรเป็นความเชื่อมลายไม่ได้เป็นตัวที่จะมาแก้ปัญหาเพื่อความทุกข์ใจของเราได้ของที่มีเครื่องมาอของขังก็เพื่อมารักษาความไม่สบายใจนะมีเครื่องมือของขังแล้วเสึกปลอดภัยมีอะไรมาคุ้มคลองแตความจริงพระสวดาบานท่านเห็นว่าไม่มีอะไรคุ้มคลองร่างกายเราได้ แก่มาล้ต้องตายหน้าที่ใจไม่สบายก็เพราะว่าความหลงที่ไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตายถ้ายอมรับความความจริงแล้วไม่มีความอยากแม่แก่ไม่เขจ็บไม่ตายมันก็ไม่ทุกกับความแก่เจ็บตายของร่างกายมันก็ไม่ต้องไปมีอะไรมีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมีเครื่องงานของขลังก็ไม่สามารถที่จะมาห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ ดังนั้นที่เขเห็นว่าความไม่ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของตนเอง mm. ก็มาหยุดที่ความอยากซึ่ง mm. ก็หมดเลย mm. อยอมรับความจริตมันก็หายทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องมีเครงรางของขลังมาทําให้เราสบายใจคําถามจากคุณทัญญาเคยฟังธรรมพูดถึงเรื่องจิตเดิมไม่ทราบว่าเหมือนหรือต่างกับจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างไรเจ้าคะนั่นแหละก็จิตที่เข้าสู่สมาธิ เว่าจิตเข้ากับเ ข, เข้าสู่สภาพเดิมเวลาออกมาจากสมาธิก็ออกมาสู่สภาพใหม่มันอยู่กับร่างกายคนใหม่เวลามันอยู่กับร่างกายก็มารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วพอจิตกลับเข้าไปข้างในจิตก็สงบก็เป็นเข้ากลับไปสู่จิตเดิมอยู่จุดเดิมของจิตเวลาจิตที่ไม่มีร่างกายเวลาจิตที่ไม่ได้กลมแต้งมันก็จะนิ่งสงบ แต่มันเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่จิตเดิมนี้เป็นจิตที่มีกิเลสเวลาเข้าสมาธินี่กิเลสไม่ได้ตายไปกับการเข้าสมาธิเพียงแต่หยุดทํา ง, งานชั่วคราวพ่อจากสมาธิมาจิตเริ่มเห็นเริ่มคิดมันก็จะกิเลสก็จะออกมาคําถามจากคุณสมสุขเคยได้ยินว่าการตักบาตและ พระให้พรตอนใส่บาตรเสร็จทำถูกต้องไหมคะเพียงแค่สงสัยเจ้าคะ่ะเพราะเคยได้ยินมาว่าพระควรจะให้พรที่วัดเวลาพระบิณฑบาต ท, ท่านไม่นิยมจะให้พรเพราะาหนึ่งมันไม่เหมาะสมกับการละเทวะคนใส่ร้อยคนมายืนให้พรร้อยครั้งก็ไม่กว่าจะกลับถึงวัดกระเพริมวันนี้งั้นเขาไม่นิยมให้พรนี่พร น, นี้ไม่ต้องให้หรอกพรมันเกิดจากการ การใส่บาตรไปมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วการสวดการพู่นี้ไม่ได้ทำให้มันมี ม, มีพรมากขึ้นหรือน้อยลงพอรมันเกิดจากการกระทาของเราพ้นชื่อการเจริญในอายุวันนะัสุกาภะละนี่นเกิดจากการทาบุญของเราถ้าเราทำแล้วเราจเจริญนะไม่ต้องมาให้พระมาบอกเราการสวดการให้พรนี้เป็นการบอกทันั้นเอง ถ้าไม่สามารถให้พรให้เราได้มีแต่จะขออย่างเราเราใจมาก <c oughs> ที่บอกก็้บอกธรรมะเท่านั้นที่สวดในสวดธรรมะสวดคําสอนสวดให้รู้ว่าอยากจะเจริญด้วยอายุวัฒนะสุขรระภาก็ทําบุญด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนทําบุญด้วยความเคารพจะได้บุญเยอะมีแค่นี้แหละแต่ไม่บอกก็ได้บุญเหมือนกันได้เท่ากันบอกหรือไม่บอกก็เท่ากัน บอกว่อาจจะดีเนี่ยเพราะบางคนไม่รู้ใส่บาทแบบไม่ไมค่อยไม่เขารบเท่ยนใส่รองเท้าใส่นี่ถือว่าใส่บาทแบบไม่เขารบพระถ้าอยากจะเขารบพระนี่ต้องถอดรองเท้าเพราะพระท่านไม่ได้ใส่รองเท้าถือว่าใส่รองเท้านี่ยืนสูงกับพระไม่ควรยืนใส่บาทในที่สูงกับพระยืนควรจะยืนต่ำกว่าหรือเท่ากับพระเวลาใส่บาท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 งั้นอย่าไปเสียดายกับเรื่องเรื่องเท้าเปื่อยใส่บาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปน้งเท้าได้อย่าไปเสียดายว่าโอ้ยเดี๋ยวต้อง้องเท้าจะเปื่อยมันเลยไม่ได้บุญเท่าที่ควรจะได้ได้อยู่แต่มันได้ไม่ครบร้อยไม่ได้เต็มที่คำ ถ, ถามจากคุณดานุชา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 คำถามจากคุณสละอัดกายทิดกับจิตแตกต่างและสัมพันธ์กันอย่างไรครับอันเดียวกันนี่แหละจิตก็คือกายทิศร่างกายก็คือกายหยาบกายทิดกับกายหยาบมันมาอยู่ร่วมกันใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นร่างทิกายทิศเวลากายหยาบตายไปร่างทิกายทิศนี้ยังไม่ไม่ได้ตายไปกับกายหยาบร่างทิกายทิศนี้ก็จะไปอยู่ใน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 การไม่มีบ้านอยู่ก็ยกให้เขาไปแล้วตัวท่านกับภรรยาก็ไปบวชท่านก็ไปศึก ษ, ษากับหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมมีอยู่ในประวัติที่หลงตาเขียนไว้ท่านชื่อว่าหลวงหลวงปู่พรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญทำทานแบบครอบร้อยตอนนี้พวกเราทำกันแบบททลานิเทียหน่อยเป็นการหัดทำกันไปก่อน หัดหัดหัดสละเงินทองแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปนิพพานไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็ต้องสละเปหมดกนที่มาบวชนี่เขาก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเขาไม่เอาติดตัวมาด้วยท่านมีมันก็เป็นภาแล้แล้วก็ไม่มาเป็นมันจะเป็นอุปสรรคมาเป็นกิเลสแทนพอเดี๋ยวก็จะเอาเงินไปซื้อนั่ซื้อนี่มาเกินมาเดิน ม, มาเที่ยวมาเล่นกันอีก คำถามจากคุณบุญเลืองลูกอยากว่าออกจากงานไปอยู่บ้านได้ฝึกปฏิบัติให้ได้มากกว่านี้เพราะทํางานมีเวลาน้อยนิดไม่ทราบว่ามีอะไรแต่ละวันงานเยอะมากตอนนี้ลูกเหลือเวลาสี่ปีครบกรเกษียรราชการจะดูโง่หรือเปล่าคะโง่อะไรฉลาดเองพระบิดาโง่หรือเปล่าะองค์ต่างะะาท่านก็ออกจากงานออกจากวังไป คนที่อยู่นะโอ้คนังนนคนที่ไปฉลาดคำถามจากคุณกันวิธีหรืออุป บ, บายให้ใคลายความห่วงเรื่องลูกคือลูกไม่ดือ้อไม่เกเรแต่เรารู้สึกรักผูกพันเขามากเราควรทำใจเรื่องลูกอย่างไรคะตอนนี้ลูกสาวสิบขวบค่ะคิดว่าเป็นคนมาขออาศัยบ้านเราอยู่ ถ้ามีคนเข้ามาขออาศัยเราอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาทางท้องเราเราเราจะรับเขาหรือเปล่าถ้าเขามาทางท้องเราเราก็หลงคิดว่าเป็นลูกของเราควาจริงเขาก็เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่อาศายัยเขาก็เลยมาขอเราอาศัยอยู่ให้เราเลี้ยงดูเขาเท่านั้นเองเราไปหลงคิดว่าพอออกจากท้องเราก็เลยเป็นลูกเรา <ส vere. S 2> เป็นของเราก็เลยเป็นหลงอยากจะให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขพอเขาไม่ดีไม่มีความสุขก็ทุกข์ไปีิตกกังวลไปกับเ ข, ขา พยายามเลี้ยงลูกเราเหมือนกับเลี้ยงหมาจรจัดเนี่ยรู้จักหมาจรจัดนะหมามันมามันไม่มีที่อยู่ก็อะเอามันเอามาเลี้ยงมันไม่มีข้าวกินก็ให้ข้าวมันกินมันเดื้อก็ตีมันถ้าถ้าตีแล้วมันยังเดื้อยู่ก็ก็ในรเทศมันไปไม่ต้องอยู่ไม่ต้องเลี้ยงกันถ้าเลี้ยงแบบนี้รับรองได้ว่าไม่มีความทุกข์กับเขาเีรยเราไปเลี้ยงด้วยความหลงคิดว่าเป็นของเราปลูกเรา จันทีเขาไม่ได้เป็นลูกเราหรอกเขาเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้ชาติก่อนอาจจะเป็นคู่อริกันเป็นศัตรูกันก็ได้้วมาอยู่ในท้องเรามาสายร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเป็นลูกของเราเัางนั้นถ้าจะเลี้ยงแบบไม่ไม่ทุกข์ใจต้องคิดว่าเขาเป็นเหมือนหมาจอมจับเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็เลยมาพึ่งพาสายเราเรามีความเมตตาก็เลี้ยงดูก็ไป ให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายสอนเขาเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆแต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาดื้อเขาไม่ฟังก็ ก, ก็ทางใครตางมันก็แล้วกันถ้าเราสอนคุณไม่ได้คุณมาอยู่กับเราทาไมคุณก็ไปไปอยู่ที่อื่นไปคำถามจากคุณเจ้าไปกราบถวายสักการะพระบรมศพแล้ว ได้รับผลไม้ลองกองมาจะสามารถนาํามาถวายพระได้หรือเปล่าครับได้ของที่เป็นของเรานแล้วเราจะไปทําอะไรก็ได้เอาไปกินก็ได้ได้กินถ้าเอาไปทําบุญก็ได้บุญคํถาถามจากคุณอาร์ตการใส่บาทโดยไม่เฉพาะเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งถือว่าเป็นสังฆทานหรือไม่เพราะเคยได้ยินว่าสังฆทานต้องทําที่วัดเท่านั้นไม่หรอกการใส่บาทนี่เป็นของ แล้วแต่ว่าบางวัด น, นี่เขาเขาเป็นสังฆทานคือของที่ได้มาจากบินกระบะเขาเอามาแบ่งกันแต่ถ้าของขายของมันก็ไม่ได้เป็นสังฆทานเช่นพระบินกระบแล้วได้อะไรมาก็เอาไปเก็นไปจำที่คุติเก็บไว้เป็นของตนอย่างนี้ก็เป็นของบุคคลไปแต่บางวัดเขาจะให้เอามารวมกันที่ศาลาแล้วเอามาแบ่งกันอย่างนี้ถึงเรียกว่าสังฆทานคือถวายเป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของใครของขายคนใดคนหนึ่ง เอามาแล้วค่เอามาแจกจ่ายแบ่งกันไปตามลําดับของอรุโสพันเตไปอย่างพระบวชป่านี้จะถ้าชายาบวชพระบวฝป่านี้จะเป็นสังฆทานเพราะพระท่านจะไม่เก็บอาหารที่ท่านได้มาจากบิณฑบาแตแล้มาจากวันเราท่านก็จะเอาอาหารหมดที่ได้มาไว้กองกลางแล้วก็จะมีการช่วยจัดช่วยอะไอามาแจกจ่ายกันอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ที่เรียกเป็นสังฆทานอย่างนี้ทําให้พระที่ได้บิณฑบาตน้อยก็ยังมีอาหารพอ ภาพที่นีบ้างก็แบ่งให้กับภาพที่น้อยได้ เ, ยเืยกี่ข้อเยอะไนหะข้อเดียวค่ะคำถามจากคุณทเดชทุกวันนี้เวลานอนถ้ารู้สึกตัวหรือว่าตื่นนอนจิตจะจิตเราจะระลึกถึงบทบริกรรมพุทโธมีนาโธทมทโมเมนาโถสังโโคมีนาตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะจิตแบบไหนครับ นายพูดอีกทีไ้ไม่เข้าใจอ่านใหม่ิทุกวันนี้เวลานอนรู้สึกตัวว่าจะนึกถึงคำบริกรรมพุทธโธเมนาโทธรมโมเมนาโทสั่งโคเมนาตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะจิตแบบไหนครับก็มีมสติอยู่กับการท่องสวนไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งก็ถือว่าเป็นสติอย่างหนึ่ง อันนี้ใช่ไหมวันนี้คำถามเยอะนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้อย่านุ่โมทนาให้พอนะ